ความจิตที่หิว ร, รมและอิ่มทรรมผิดกับความหิวและความอิ่มในกิ่นทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตควาว่าจิตหิวรมนี่เราก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในธรรม มีความดุดดื่มอยู่กับทำรร ม, มากน้อยเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดุดดื่มกับสิ่งอื่นซึ่งเกื่ยไปได้วยความทุกข์มุ่งแฝงกันไปในขณะนั้นความอิม่มทำ ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกท่านเรียกว่าปีติคือความอิ่นใจปีตินี้จะมีไปเรื่อยๆตามขั้นแห่งธรรมถ้าทำจิตใจละเอียดปีติก็ละเอียดจิตใจหยาบนางหยาบอยู่ปีติแสดงขึ้นก็หยาบต่างลายก็ท่านถึงเรียกว่าอุเพงคาปีติ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 ลักษณะสู่มเสียงหรือเนื้ออาจเนื้อธรรมจะมีความเข้มข้นเป็นลำดับลาดับจนถึงกับอาจคิดได้ว่าท่านอาจมีโทสะหรือมีอะไรไปทํารองนั้นความจริงแล้วเพราะความอยากให้รู้ให้เห็นเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันที่แสดงออกมาด้วยความเข้มข้นนั้นแสดงออกมาจากจิตใจที่มี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 เพหลักธรรมชาติเป็นสิ่งที่เปิดเผยกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีความปิดบังนี้ลนะับแม้แต่วินาทีนึ่เป็นสิ่งที่เปิดเผย อ, อยู่ตามความจริงของตนทุกๆุกสภาวธรรมไม่ว่าภายในร่างกายของเราจิตใจของเราที่แสดงตัวออกมาต่างๆ ต, ตลอดถึงสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน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 อย่างไรก็ตามเราไม่ต้องกระเจ๊าออะเจ๊าะใจกับการได้บ้างเสียบ้างเพราะเป็นการเริ่มแรกจิตของเรายังตั้งตังต้งตัวยังไม่ได้แน่นอนยังยังไม่ได้ถนัด ก, ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแม่ครูอาจารย์ท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพวกเราท่านก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วไม่ใช่ว่าปุปปับปับก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ปัจจิบันทันทีแล้วเป็นครูสอนโลกได้เลยอย่างนั้น ที่ดูตั้งแต่พระพุทธเจ้ากอถึงหกพันป่าอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเทราว่าแน้เช น, นั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาหพยายามตะเกียบตะกายทุกรดัซึ่งล้วนแล้วต้องเกิดเป็นเรื่องของกองทุกข์ท่าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีแต่ไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาสลบสลาย นี่เราก็เป็นลูกศิษของท่านก็มีความหนาบางต่างกาันตามผลิตนิสัยหรือปณิสัยของคนเช่นเดียวกับน้ํามีหยู่ในพื้นดินนี้น้ํามีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกตื้นต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอน้ําบางแห่งขุดลงไปจนลึกแสนลึก ถึงเจอน้ำกลมไอเรื่องเจอน้ำนันเจอเพราะแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยน้ำทำไมจะนไม่เจออันนี้เรื่องความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่สติปัญญาของเราจะสามารถอาจรู้ได้เพียงไบนั้นย่อมมีต่างกันเกี่ยวกับเรื่องอุปนิสัยการปฏิบัติจึงมียากมีง่ายต่างกันดังที่ท่านสอนไว้วทุกขาปฏิปทาท่านทาปิญญานี่ ประเภทหนึ่งทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึทุขาปฏิบาชาชัทาคิปาพินญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหประเภทหนึ่งทุขาปฏิบาชาชัตทาคิปาพินญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนะ สุขาปฏิบัาทันธาติัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี้เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกที่จะต้องเป็นในธรรมสิตามธรรมสิทประการนี้หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เป็นแต่เพียงไม่ทราบว่ารายใดจะเข้าในลักษณะใดแห่งการปฏิบัติของปฏิบัาทั้งสี่นี้เราเราเองก็ ก็อยู่ในค่ายแห่งปฏิบัติธรรมทั้งสีน่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างใดก็ตามก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตะเกียกตะกายไปตามความสามารถของเราตามวาสนาของเราี้เราถูกในจุดที่ว่าน้ำหยุนลึกเราก็ต้อง ขุดลงไปจนกระทั่งถึงน้ำถ้าเราถูกตาน้ำตื้นๆแล้วก็ขุดได้สะดวกแล้วก็ถึงน้ำได้เร็วเรื่องสัจธรรมนั้นมีอยู่ตื้นๆเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ความรู้ความเข้าใจความความสามารถของเรานั้นอาจจะกำลังยังไม่พอ ซึ่งพอจะฝุดค้นสัจธรรมคือความจริงนี้ขึ้นมาให้เปิดเผยได้อย่างประจักษ์ในภายในอนรันวดเลยจึงต้องอาศัยความพยายามสำคัญที่ความภาคเพียรเราอยากถอยนี้เป็นทางของนักปราชญ์เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับไม่ได้ทางที่จะอับเท้าเบ า, เบาปัญญาหรือตงนรก เป็นทางที่จะพยุงเราให้มีความเจริญโดยลำดับการปฏิบัติเราอยไปคาดวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นซึ่งจะทาให้เรามีความท้อถอยก่อนแ้แล้วก็ท้อใจและหมดกำลังใจไปด้วยเมื่อหมดหมดกำลังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความภาคเตียนโดยวิธีต่างๆนั้นจะลดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีความพาคเทียนเลย นี่ไม่ใช่ของดีเราจิงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะเป็นภัยต่อการดาเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวรบอยู่แล้วด้วยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นฆาตกดอยู่แล้วด้วยกันมีความภาคเทียนเต็มสติกำลังอยู่แล้วด้วยกันทำไมเราจะเป็นคนนอกบังคีไป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 ไม่ใช่ทุกข์ที่เสียประโยชน์ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทรมานอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ไม่พิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมนี่เราพิจารณาอัธรรมอยู่แล้วทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็ให้ทราบไปในตัวว่านี้คือสัจธรรมต้องเป็นคู่เพียงไปกับความเพียรของเราคนมีความเพียรมีคนมีสติมีปัญญาเริมจะทราบเรื่อง ต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกข์ขั์เป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องของทุก์การอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการปร่อผู้ปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางดาเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของหลีเลย ทุกมากทุกน้อยในขณะที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่กำลังบังชาของเราจะปุดค้นเห็นความจริงของทุกทุกด้านจะเกิดในด้านใดส่วนใดของอริยวะสองด้านกายหรือจะเกิดขึ้นภายนจิตใจก็เรียกว่าทุกเช่นเดียวกันจึงเรลานี้จะเห็นจริงเห็นแจ้งกันด้วยสติกับปัญญา ศรัทธาความเปี่ยนของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะขุดค้นความจริงที่มีอยู่เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างประจัดจนกระทั่งต่อยวางกันได้เรียกว่าหมดคดีเกี่ยวข้องกันภูวาจารย์ที่ท่านพาดําเนินที่ท่านดําเนินมาแล้วมาสอนพวกเราองค์ไหนที่ปรากฏชื่อลูน า, นามว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพระเนรนั่งมาก รู้สึกจะท่านจะเป็นพระที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรรมนาทำบาเพ็ญธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมามาเป็นคูที่าจารย์ของบรรดาลิกศิษ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบําเพ็ญเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นยังไงทุก ท้าไม่ทุกอย่างไงไปอยู่ในป่าในเขาไม่มีบ้านไม่เรือนอาศัยดินถ้าบาตรเขากินเป็นวันเป็นวันสถานที่อยู่ทางที่ไปปัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นสิงจะอาศัยโลกทั้งนั้นองค์ท่านเองมีแต่บาตบาตก็บาตรเปล่าเถ้าสามพืนคือไรจีวรสบงจีวรสังคาติ และผ้าอาบน้ําเท่านั้นแล้วความที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวต้องอาศัยคนอื่นทุกชิ้นทุกอันเชน่นนี้จะหาความสะดวกสบายมาจากไหนท้อเรื่องของท่าต้องเป็นเรื่องสม่ําเสมอต้องเป็นผู้อดผู้ทนจะหีจะกระหาจะลําบากลำบนแค่ไหนต้องอดต้องทนเต็มความสามารถด้วยความภาคเพียรแห่งสมณะหรือแห่ง สาสยบุตรผู้รูกสถาพทเวลาทาความภาเคเทียนก็ไปทุกข์กับเรื่องความเทียนการแก้ที่เหลวต่อสู้กันกับพิเรศประเพท่ต่างเพราะพิเรศบางประเพทก็ผาดโผนมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามานันเราจะกดเขาลงอยู่ใต้อำนาจนั้นย่อมเป็นของลำบากไม่ใช่ น, น้อยเราเองก็ยัง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 บางจดิตนิสัยชอบนอนก็ไม่หลับนอนพิจารณาอยู่นั่นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าจดิตนิสัยต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในเวลานอนเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งต่างต่างกันต่างๆกันอย่างตามจดิตนิสัยและความภาคยานทุประเภทเป็นเรื่องที่จะถอดจะถอนจะ ขุดจาก้นจิเรศออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาๆสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลาบากความรักก็เหนียวความเกลียด ก, ก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชีวาจิเรศเนี้ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงคั่วหัวใจเราจะถอดถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่ล้วฝังมากี่ลับกี่กันฝังอยู่ที่หัวใจของสาตว์โลก การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นภาระอันหน mm ัก hmm. er ความทุกข์ก็องมาไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากรากเหง้าข้อมูลของมันคือหัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นพรฝังจมกันมาน่ะเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทะานว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อน ก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกิเรศหลอกเราในเราพูดถึงเรื่องความเพียรหรือความทุกข์ความละบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาแนะนาต่างสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตสาหภพยา ย, ยามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพุดปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภา ย, นายจในจิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่านใ่ตรองได้แล้ว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 เพราะทารวมตัวกันแล้วมีกำลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปในจุดเดียวกันทะละห้ารวมตรงนั้นอุิบาททั้งสี่รวมลงที่จะทุ่มลงานาจิตใ จ, จที่เต็มไปด้วยีดโดทั้งหลายนั้นยากก็เผลิดอารมณ์คำว่ายาก ที่มีผลตากฏอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ามีต้นทุนนั้นยากก็เหมือนไม่ยากอืมแต่ก่อนเราไม่มีต้นทุนไม่ตากฏว่ามีทุนมีรอนอะไรค่าโดยกำปั้นนั่นก็ลำบากอยู่บ้างพอมีเครื่องมือมีต้นทุนบ้างแล้วถึงจะลำบากก็เหมือนไม่ลำบากเพราะความพอใจมีสติปัญญามีพอต่อสู้ความท่าเทียมไม่ถอยหลังไม่ลดละจิตใจก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับตั้งาต เป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจดวงที่เคยอับเฉามาป็นเลานานนั้นให้ประจักษ์กับจิตของตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยความเพียรท่าต่างๆจิตโล่งภายในตัวสงบพูดถึงเรื่องสงบก็สงบสงบเย็น ไม่ไม่ใช่สงบแบบคนสิ้นทางสงบอย่างเงยน็นปัญญาเวลาถึงการปัญป ญ, ญาจะออกพิจารณาคนคว้าก็เต็มเม่เต็มหน่วยสู้ไม่ถอยกลางคืนกลางวันเต็มไปด้วยความทาาเพียนความลำบากลำบนด้วยปัจจัยสี่ไม่สนใจ ขอให้ได้ประกอบความภาพเพียนเป็นสติกำลังความสามารถเป็นที่พอใจของนักปฏิบัติผู้หวังรู้ทำผู้หวังรู้แจ้ ง, งจริงในธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะผลสุดท้ายจิตที่เคยมืดดำมาก็เปิดเผยตัวออกมาให้เห็นเป็นความสว่างขจางแจ้งเป็นความอัศจรรย์อุบ า, าสติตปัญญาที่เคยมืดมิดปิดตา คิดอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวออกออกมาด้วยลวดลายแห่งความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์คือพิเดทที่แสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมมีเป็นเมื่อสติปัญญาเข้าขั้นนี้แล้วพิเดทที่จะั่างสมตัวขึ้นมาั่งสมกําลังนั้นลดน้อยลงไปโดยลำานับลหนั จนสามารถพูดได้ว่าทิเลตไม่มีทางสั่งสมตัวได้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่กิเลตที่มีอยู่ก็ถูกทำลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุดคน้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบดใดๆทั้งนั้นเป็นเครื่องจีบขวางความเขียนนี่แต่ท่าแห่งความเพียนจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใด ยิ่งเห็นชัดเจนจิตใจยิ่งเด่นเหมือนกิเลสขึ้นมาเป็นลำดับหนักนะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ยอมแพ้กิเลสนี้ทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อเห็นประจักษ์ในกำลังของตัวว่าเป็นผู้สามารถแค่ไหนทัตติปัญญาที่ออกตะเวนค้นคว้าหากิเลสนั้นรอบตัวตลอดเวลากิเลสตัวไหนจะออกสามารถออกมาเพ่งทาง่านกล้าหารต่อทตติปัญญาประเภทนี้ไม่มี นอกจากจะเข้าหลบซ่อนเข้าหลบซ่อนก็ต้องขุดค้นลงด้วยสติปัญญาเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านว่าสติปัญญาอัตนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั้นคือขุดค้นมาหยุดไม่ถอยเวลาประเจินเข้าแล้วก็พันกันเข้าเลยเรียกว่าตรูมบอนเอาจนเห็นเหตุเห็นผลจนกระทั่งถึงปล่อยวางละได้ในกิเลสประเภทนั้นเมื่อหมดประเภทนี้แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรพ้น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 จนกระทั่งยิเล่มมันรวมตัวที่เคยพูดเสมอว่าอาวิชาแท้นั่นรวมตัวธรรมชาตินั้นต้องผ่านขุดค้นทีเดียวเวลาถอนก็ทรวดทีเดียวไม่มีเหลือเลยส่วนกินก้านของมันนั้นต้องได้ตัดกิ่งนั้นก้านนี้เลือ่อยไปลาขาไหนที่ออกมากน้อย โตขนาดไหนตัดด้วยปัญญาตัดด้วยปัญญาขาดลงไปขาดลงไปผม ด, ดูภาพไปอย่างเดียวหัวต่อถอดหัวต่อถอนหัวตอนี้ถอดยากผอดยากแต่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทวดเพือนหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยแหละความทุกข์ความลาบากในการประกอบความภาคเพียงมามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราหมวกกองทุกข์ทั้งมวลมากน้อยเพียงไร ซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทลายลงกระมุนเพื่ออำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆดัๆ่งยากลําบากทั้งหลายนั้นคุ้มค่าตายก็ตายไปเถิดตายด้วยความทุกข์เพราะความเพียรนไม่เสียดายที่พอได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเพียรเป็นอย่างไรบ้างาก็จักษ์กับติดทั้งตนเองเหตุการบําเพ็ญเกียร ต้องเป็นผู้ไม่ท้อถอยหนีอะไรพิจารณาการพาณาจิตใจมืดเราก็ทราบว่ามืดกิเลสตพราะจิตไม่เคยมืดคือความรู้จริงๆไม่ปิดตัวเองทุกขณะไหนก็ทราบว่าทุกซุกก็ทราบว่าสุขมืดก็ทราบว่ามืดเนี่ยสว่างก็ทราบสว่างหนักเบาแค่ไหนผู้รับรู้รับอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นตัวเองเลยผู้นี้คือผู้รับอยู่ตลอดเวลา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 พ่อห น, นักหนามฝังจมอยู่ที่นั่นเป็นตัวเหตุสาคัญที่จะทำให้ท้าเรากำเริบมากมาย ก, กักองถึงกับเสี่ยไปหมดเพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแล้วจะทุกข์ลำบากทุกข์ขนาดไหนต้องถอนจนได้ไม่ถอนหนามนั่นเป็นไปไม่ได้นะทุกข์ก็ต้องถอนนี่แหละการบําเพ็ญเพียร้นามคกิเกล็เป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอยู่ถ้าไม่ถอนแล้ว จะเป็นอย่างไรการถอนหัวน้ําคือกิเลสด้วยความเพียรจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนต้องต้องทําโดยทางเหตุผลตายก็ต้องหยอมเพื่อได้หนาอันนี้ออกจากจิตใจจะไม่ต้องเกลียดแทงกันไปนานี่ยพูด ถ, ถึงว่ากิเลสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีอยู่รอบตัวของเราเฉพาะ อ, อย่างยีนเอารอบตัวนี้ส่วนภายนอกเราก็ยกไว้เวลาพิจารณาเข้ามาแล้วมันมาอยู่รอบตัวนี้ หรือไล่เข้ามาหาตัวของเรามันติดรูปติดเสียงติดตลิ่นติดเลดคุสมบัติสมบัติวัตถุในวัฏฏานต่างๆนานามันเป็นจิเลตไปหมดเพราะจิตพาให้เป็นสิ่งนั้นเขาไม่เป็นจิเลตแต่จิตไปติดสิ่งใดล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นจิเลตเพราะจิตพาให้ตป็นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้หายสงสัยถอนตัวเข้ามาสุดท้ายก็มามีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยมันมีทิฏฐ์มันก็ต้องถือตัวเป็นที่หนึ่ง ความรักความสงวนไม่ว่าอันใดจะเหนือความรักตัวสงวนตัวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้จึงไม่มีที่เกาะแล้วจึงต้องเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวของตัวจึงต้องมาไล่ที่ตรงนี้ไล่ตร ง, งนี้ไล่ยากหน่อยยากก็ไล่เพราะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นกิเลส เ, เหมือนกันกับข้างนอกมันก็นกนเป็นเชี้ยนเป็นหนามเหมือนกันเป็นพิเป็นภัยเหมือนกันต้องไล่ไล่ออกถอดออก เมื่อการพิจารณาเริ่มถากเริ่มขันแยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงทุกแหกทุกมุมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นพื้นเพของจิตได้อย่างชัดเจนว่าสักแต่ว่าถ้าสักแต่ว่าขันหนักเราพิจารณาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วเป็นอย่งนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเมื่อลงถึงขั้นสักแต่ว่าแล้วจะไปถือมันได้อย่างไรถ้าปัญญาหว่านล้อมไปหมดแล้วปัญญาชำ้ำระไปหมดชะล้างไปหมด มนุษยคือกิเลสที่ไปฏิดทันอยู่กับสิ่งใดความสำคัญ ม, มันหมายงเป็นไปเกี่ยวข้องไปฏิดทั น, นที่ตรงที่ตรงไหนปิติปัญญาชะล้างไปหมดแก้ปลดเครื่องไปหมดไปหมโดยลํำดับลำดับสุดท้ายก็มาสักแต่ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่าอาการใดที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราที่ให้นามว่ารูปก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลย แต่ยิ่งไปได้ยังไงเมื่อจิตไม่ส่งเสริมให้มันยิ่งจิตเป็นผู้ส่งเสริมจิตเป็นผู้กดถ่วมตัวเองต่างหากเมื่อสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจรงิงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จรินของมันคี่เรียกว่าสักแต่ว่าน่ะเมื่อสักแต่ว่าแล้วจิตไม่เห็นสิ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาพอที่จะไปยึดไปถือแล้วจิตก็หายกัหวลรูปก็สักแต่ว่าถึงยังเป็นอยู่ก็สักแต่ว่าเนี่ยตายไปแล้วเปล่ามันก็สักแต่ว่าความเปลี่ยนสภาพของมันเท่านั้นเนี่ย เนืนามันเกิดขึ้นมาก็สัตว์แต่ว่าสลายลงไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุกทุกอาการทุกอาการเป็นลาดับลาดับไปอืมผมจะท้าจิตที่เรามีความนับความสวงวนอย่างยิ่งด้วยอํานาจแ่งชี้เดชประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านเรียกว่าฮิตตานุปัตนานีม่มันสัตแต่ว่าจิต ถือให้เป็นสภาพหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายญาตถือจิตนั่นเข้ามาเป็นตนญาติสำคัญจิตก็เป็นตนญาตถือจิตก็เป็นตน จ, จะพิจารนาไม่ได้เพราะความรักความสงวนกลัวว่าจิตจะเป็นอะไรตรายปลายเสียเนี่ยก็มาสงวนตรงนี้จึงต้องพิจารณาตามเรื่องที่ท่านบอกจิตตาโนปัฏฐาพิจนารณาลงไปให้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าจิตคิดก็เห็นแต่สักแต่ว่าคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วศักดิ์แต่ว่ า, วาคิดว่กปรุมแล้วก็ดับไปดับไปนะมันศักดิแต่ว่าศแต่ว่าจนตั้งถึงรากฐานของมันรากฐานมันคือคือกิเลสชนิดละเอียดที่สุดคือภายในนั้นแต่มันอยู่ในจิตเราไม่พิจารณาจิตมันไม่ได้เราจะส่งมันจิตไว้แล้วพิจารณกกิเลสประเภทนี้มันไม่ได้เออก็เหมือนกับโจรมันเข้าอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเราจะเสียดายอุโมงค์ไม่ได้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 เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นอรรถเป็นสนามลบพิจารณาด้วยปัญญาฐานเข้ามาจนกระทั่งถึงเอารูปเดีนามัญญาตังขานยืนยามเป็นสนามรบพิจ า, ารณาจนมู้แจ้งห็จริงแล้วปล่อยวางปลอง่ปลอยวงตา ม, มาจริงอ้าวที่นี่พิเลรศมันไม่มีที่ซ่อนก็วิ่งตัวเข้าไปอยู่ในจิต ด, ดียวเอพือ้จิตเอากิตเป็นสนามรบอีกฟาดพันลงด้วยปัญญาหันแหลกลงไป โดยลำดับาโ ด, ดยไม่มีข้อแม้ไม่มีพ่อโยกเว้นว่าจะสงวนอะไรไว้เลย อ, อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาให้มันแหลบไปหมดถ้ามันเข้าใจไปหมดนั่นสุดท้ายที่เด็ดก็ทนตัวอยู่ไปได้กระจายออกไปหมดนั่นของจอมต้องสลายตัวไปของจริงอันนั่งเดิมแท้ได้จะจิตก็เป็นธรรมชาติที่เบิกติดขึ้นมาหาความสลายหาความที่หายไปไม่มีเลย นี่แหละคือความประสุดแท้เราชำระเพื่ออันนี้อันธรรมชาติแท้นี้ไม่ตายไม่ชิหายถึงจะถูกพิจนาขนาดไหนคว้ฟันลงไปด้วยสติ ป, ปัญญาขนาดไหนก็ตามแต่สติ ป, ปัญญาจะคว้ฟันจิตให้แหลกละเอียดจนชิบหายไปหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นาสุดท้าก็จิตบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอจิต บ, บริสุทธิ์เต็มที่แล้วปัญญาก็ ค่อยหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ขอตนไปเองไปตามหลักธรรมชาติของสติปัญญานอกจากเราจะนํามาใช้ในการตามการตามีวลาในเนื้อต่างๆนี้ภาระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทําลายกิเลสขึ้นมาถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาดำที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถอดถอนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่ของตัวไป สี่ที่ยังเหลืออยู่เหลือสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัย น, นิโรธมากก็ได้จากความบริสุทธิ์คือผู้รว้ล้วนๆนี้ทุนี้แหละเป็นผู้พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์นี่ทําเรียกว่าวิมุตติเราจะจะหาวิมุตติที่ไหนความหลุดพ้นหลุดที่ไหนมันติดข้องอยู่ที่ไหน เมื่อพ้นจต่ความติดข้องแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่ามนุษย์ธรนมะดูเหมือนลถมาติดเพียงท่านีม้มันเข้ามาที่นี่งนะใช่ไหม